ยึดในไตลูกกระทาไม่ควรมงประสงค์เสมอการไม่มีหยิ่งไม่ย้อนไม่ยึดตอนหนึ่งควรงประสงค์เสมอกันคือหักสุกลั่งเกียดทิถุขาถุกถุหงิ้ว่อยากได้ยินเสียเลยละไทก็ได้ชัดตัวเด็่ยง่องตัวหน่อยมันมันจิบัญญัตทุว่าเป็นกะกะละอายุทุกนกหนูปูเปีก๊กมั้งไง เห็นเข้าไปมันก็บบัญญัติก็เป็นมันัว่ายติละกลัวอยากเท่าเหุอันตรายมันถุกฝ่าบินนี้เรียกว่าหักสุขกบจงสี่คือกันเห็นถ้าไปเต้นขึ้นว่าท่านพ่้องพไห่พ่อจะรักษาสุขของตนพอมย่านทุกย่านขายติแก้งหนึย่าน จี้กันป่นเอาเนื้อเอานังไปยูไปกินถึงแม่ศิธาบ่ถือกระดามก็ต้องปารถนาสุบสดเบื่อว่าทุกๆวัอ ย, ย่างน้เลยด่ากับวิญญามีพูมาดาตีกับวิญญามีพูมาตีเฮาขาขับวใิให้มีพูมาข่าอย่าง้งยินต่คว่ำไพ่ละสนอโสด อยืนจะขวมนมวนทั้งหูก็ได้ทั้งตาก็ยาเห็นให้อยากเียนต่อ่านเหมาะสมไม่อยากเขีนอันกระทบกระทือนพอหักชุกร่งเกียรติกเข้ามาถูกถูกจักรถมันที่เป็นยังไงผู้พันขอจักรรก็เลยลังเกียดทุกก็มีแต่ว่าไสิบโของจักรถถกมันโมมีดอกมีอยู่ทุกใจก็ไปทุกอันนึงทุกกายก็ไปทุกอันนึง สเสมอนากองไส้อันทักซุกเหตุนสันกรณนี่ยามิตาสูตรพระพุทธิเจ้าจงมาเมตตัญจัสพภโล ก, กัสเสีย ง, งมานะสัมภาวะเจอปริมานั่งให้เมตตาปานี่กันเอกกพู้ตามโนรักเขเหมือนพกูกพ่อเดียวแม่เดียวกันนั้นเถิน เอาเวรังอาทรัพตังบรรจังบ่มีเว้นมีไพ่ข้นถ้าว่าโลกเต็มไปด้วยเมตตากรุณาแล้วซึ่งกันและกันแหละพิบท่อฝ้ากระพริบให้เป็นเบาได้บ่มีเนี่ยผูกเว้นผูกไพ่กันตังคนตังมีเมตตาชงข้ามก บ, บมีในโลกอันนี้ มือมันพิษมากกระทิมห้องคว่ำพิษให้กันตุ่ตามตามพวดได้กรยักเอาแต่คถือแน่โลกอันนี้ว่าตอนพิดกับปันกันพิษตอนถือกับปันกันถือเอาแต่โตพื่เดียวมันก็โยกทากันได้แนโลกอันนี้คพิดทิมให้กันตุ่ามตุามตุ่ามุามพวดได้กระยกเป็นจะไฟถือวัดจังว่าลกบลเลวกันเลย เรียกว่าโลคขาเมตตาเมตตานี่พระพุทธศาสนาสอนให้เพ่งให้ภาวนาคือกันอารักขากรรมฐานสี่พุทธานุสติและลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่มีในพระองค์และสงเกื้อกูลแก่ผู้อื่นสองเมตตาแผ่เมตติกิดคิดจะให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุดตัวหน้า สอสุภะพี่เจรณาร่างกายตัในให้ผู้อื่นให้เห็นเป็นแม่งาม 4. มรณ ะ, ะสติและลึกถึงความตายอันจะมาถึงตนกรรมฐานสีอย่างนี้ควรเจริญเป็นนิจเรียกว่าอารักขากรรมฐานอามีอาราัากขเดียวกกรรมฐานสอย่างนี่ควรเจริญเป็นนิจ ก่เมตามันไปเป็นพี่เลี้ยงนา่งน้มกับซิกขาบดคอต้นแห่งป่านาติบาตมันก็ไปเป็นพี่เลี้ยงนา่งน้มกับอทิหนาทานเขากันมันไปเป็นพี่เลี้ยงนั่งน้มกับกับกา ม, มีสเมธช้าจานเหมือนกันเพราะคือเห็นใจเล่าใจเขาเขาหวองลูกห้องเมียห้องพี่ห้องหลอกเขาจังไรเฮ้ากระจองห้องจังสัตอันเดียวกัน ไพ่มาลวงปอบเว้นี้กับปอมัดมูสากับคือกันไพ่ก็อยากไรเงี้ยแต่ความสัตย์ความซื่อผู้ว่าวกับบสเสียประโยชน์ผู้ฟังกับบสเสียประโยชน์อันเชิญซูล่านั่ยมูเฮ้มามันไม่ได้กินแล้วล่ะ พรอ้สิไปกินอกอยากพอตายเขาู้สิไปกินหรอกผู้คย่คยกินมาแต่เกาสีเพิ่บวกเขามากแเพิ่มก็ไม่ไปกินลแล้วห้ามันบริทิ์จะเอถอะท่านเล่ามูฮั่นยสิไปอีกได้อีกเท่าไหรชีวิตสังขารของมู่นไม่มีใครสิร์บรการไล เห็นการเมืองไรจังวาเห็นยันงนํากันเมืองไรจังว่ายัง่งพอาชีวิตของเฮาแต่ละมือ่อละมือ่อหันใจเขาแต่ละเทือละเทือนเนี่ก็เรียกว่าเสี่ยงต่ออันตระล่า ย, ย่่าเขื่อนอยากว่าป้อนโรคโบกจักสิขีกิสิกูมะพานอันตรลายดีมะพานควบเกึดมะพานควบแก่มะพานควบเก็บมะพานควบตาย เมื่อเดินชวนสนามเกิดเดินชวนสนามแกเดินสวนสนามเก็บเดินชวนสนามตายเมื่อผ่านสนามหลบเมื่อผ่านสนามโกดเมื่อผ่านสนามหลงเมื่อผ่านสนามเวนเมื่อผ่านสนามไพ่จะเข้าทางเที่ยวมาในวัดตาสงสารอันนี้อันนี้กระซ่าสังสารมากกว่าเม่ทินีไม่ใช่ในสอบมหาสมุทรซีมหาสมุทรแล้วมู่เข้ามาทางเที่ยวในวัดตาสงสารนี่ มุจฉาศัดได้หมู่ห้องเด็ด่างอันไหนต่อศ า, าสตร์ได้แดมันนํามาแจะพบ ก, ก่อนศาสตก่อนมันยังหายผลมันเมดม่อนะ่ะพองบาปพองบุญพ้องด็สร้างบุญมันกันน้ำมาคือกันห้องด็สร้างบาปมันกันน้มาสนองคือกันกำบางอย่างให้ผลในพบนี้ได้พบหน้ากำบางอย่างให้ผลในซพพดคืบสืบบุญก็เหมือนกันบาปก็เหมือนกัน กรรมบางอย่างให้ผลเป็นลำดับเลยลำดับชาติเลยการบางอย่างให้ผลตามกิจทระที่ทําให้ผลตามกิจที่ทําดีและทําสวนแล้วกรรมที่ให้ผลตามกิจเนี่ยมันมีทุกกรรมคือเวลาห้าไปเยยไยหยียบไฟมันให้ผลห่อนอยู่ตามกิจที่เหยียบย่างห้าว่เหยียบไฟนั่นกะบ่ให้ผลห่อนในตอนนั้น แต่ว่าตอนอื่นสิฮอนมันก็นเป็นเรื่องอื่นไปหอนจิตหอนใจผลเถื่อนมันไม่ได้ไ่ได้หอนนั่นละ่ะเพ่าะทางร้ายยึยดแต่อำนาจกรรมและผลนกอนกรรมสิยู่เนื้อบไ่ได้ แม่พบเทวโลกพบมรรค ก, กอยูเนือกรรมแล้วพ้นของกรรมหมดแหละจากยูเนื้อกรรมแล้วค้นของกรรมเลยแต่พระละหันเพราะกรรมดีพระละหันสั่งพ่อแล้วกรรมสัวพระละหันละพๆๆอะ่อแล้วเหตนสันจึงยูเนื้อกรมๆๆอ ร, แ ร, กรมลรแล้วนของกรม ร, กกรมๆๆไปมูหอยังเป็นธาตุของกรรมอยู่ถึงที่เป็นธาตุของกรรมแล้วเพียงแลกระตอมมูหอพอ่ายามสังแต่กรรมดีส่ว น, นกรรมสัวมูห่อกระสานวาพอเฮงแล้ว เข้าจังไน้มาลุงเหลืองโฮมเหลืองละสิพยายามลดกรรมอันบอดีคันเนีตั้งต้นไปสิเคสสิลาบเน่กรรมอันบอดีนะขาด ร, รับซับเพื่อฟื้นิื้นน่กรรมกด็ดีแต่เขออ้าเยอะในาราวาดเน่เข้ายอมยอมหนุจักดีนว่ก็เบาสิน ข้าก็อยากกินฮอดไคใหมันพุ่นตัวใหญ่ทอาได้แห่งดีบาทนี่ข้าวเด็กบ้านุงเหลืองหฮมเหลืองแล้ะข้าพริกสาดไม่บาทเนี่ยถ้าบุญลบร่างบาปก็แม่นคือนที่ประพฤติวม่มกับประพฤติใหม่บาทเนี ขาซัดปัฏีวิตรกับบุหอยมีจังเกิลสมนามเคยเอาเมียที่ทางโลกเคยเสแสว้งหาหลูกหาเมียข้ากระตีหั่มหันลากขะของข้าให้มันเบาลงเพราะข้าเห็นโทษในลากขะโทษซาของข้าวไม่ทลายข้าวสิพยายามหั่มหันมันลงดว้วยความเมตตากรุณา ราคาข้าองเข้ามีดเทไดมันจิหลายทาวเป็นฝาแป่นดินก็ตามมากกว่มีหินไม่สร้างสร้างมหาสมุทรก็ตามเข้าก็ต้องเป็นฝ่ายพยายามย่าเห็นถูกพยายามละมัน่นลาขัดขีหน้า เ, เห็นสันเท้าจึงพิจนาอสุภพิจาณาล่างกายตนและผื่นใด้เห็นเป็นแมงงามสิ่งมุ่งเนี่มันเป็นเมตตาตนมัดเทไย มันก็เป็นเป็นเมตตาผู้อื่นคือการเท่าภาสีบ้านไอ้มีเว้นไม่ให้กับผู้อื่นเท่าภาสิเมตตาตนเมตตาใจเมตตาตัวเล่าควมดีทั้งหลายเท่าสางลงไปเรียกว่าเมตตาตนถ้าเนี่ขันเท่าใด้ดีตอนใดเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์แก่เท่าและผู้อื่นได้ขันเส้นเท่าเมื่อขาดซัดจังสิซัดกับบ้าได้ระแวงเท่ามันกับบ้านไอตายงอนเท่ากระทึงเป็นประโยชน์กับเท่าเท่ากับบ้านไอสางเว้นทางไผ่ซัดก็บบ้านไอเราแวงว่าเท่าจะเป็นขามัน รักก็คือกันเข้าว่ารักก็เป็นประโยชน์แก่เข้าก็เป็นประโยชน์แก่เจ้าของผู้อื่นอีกผู้เขาเป็นเจ้าของอีกเพราะเข้าว่าได้รักของเขาสิ่งที่เข้าว่าได้รักกันเข้าก็เป็นประโยชน์อีกคันเข้ากับปรเดี๋ยมีเว้นไม่ไพในส่วนนี้คันนีมุสาคันเี่ากับประเด้๋ยวตัวเข้ากับประด้เบียนเบียนเกิดชาติหนาเข้าเขาจีบว่าได้เป็นคนปากเมินขันมีชาติมีโฮปอยู่มุคคลนผู้ ไปบอกไซเขากเกาะบะเสือไปบอกไซเขากเกาะบะเสือทั้งสิบวอกเป็นสิบเป็นท่ามาไหเขาก็บะเสือเพราะอำนาจยังเพราะอำนาจเคยตัวถึงจะพบก่อนชาติก่อนอันนี้สงอันะว่าอันไรที่เป็นจริงไม่จริงก็บ่คอยมีผู้เสือเพราะเศษบาปอันนั้นมันนํามากอันนี้เศษบาปของสุร่าค่ะบุคคลผู้เกิดมาไม่บา้าใบเสียจริตพิษมนุษย์เป็นคนบอสมบูรณ ลักซันทั่วทั่วเท่ทียประดีนเพราะเศษกรรมผลของดื่มทุล่าเศรษฐกกรนํามากันเมื่อตีงโตกับมีแตะกรรมตีงขิ้งกับมีแตะกำต้งสิกเขาจังพยาญามสั่งทางกรรมดีคือกุศลกรรมเพื่อจะเอาเป็นเหือเป็นแพร่เขาเห่าขี้ขามพนิพาฒน ขีขามลูกขามโกดขามหลงควมดีท่านันทิชนะควมสัวควมดีของเฮาจังศิชนะควมสัวของเฮาควบบลูกของเฮาจังศิชนะควบบลูกของเฮาควมบโกดของเฮาจังสินักชนะควบโกดของเฮาควบหลงของเฮาจังศิชนะควบบหลงของเฮาส ไผ่มีกิเลสเตรมพนาพนดินวัตถุานทุกคนนะมาบวชนี่คันบ่มีกิเลสเ้อสิมาหยังเ้าบนอนเป็นพระรหันย์ยในบานพุทธไผ่ที่เป็นพระรหันย์มาในทองเมเห้ปฏิบัติศิษธรรมเสมอือเสมอกิเลสห้าบวไดอยู่ ร, ย ร, ยระดับเกาเด้เฮ้ยเบาไปเรื่อยเบาไปเรื่อยเบาไปเรื่อยนีเนยไหห้ามันถือแล้วหอกรกลับจะแก่อีกก็มีอมันยังถืกบวัวถือพ่อป่าวะ ด้วยยังด้วยอนิสงด้วยอ น, สยอนิสงที่เท่าซ้ำเนียกกูคดจังสันกูนึก น, กกนกจังสี่กูว่าจังสันกูว่าังสี่มันบดถือปไหนหนากูตอสิแก่ไม่สันเทาก็ยังในลึกไดวางสันอกก็พราะเป็นยังเพราเหตุพเพราะเท่าหวังดีอยู่เท่หาหวังหาคนซุกใส่สเท่าอยู่เทาบอกใหา้แมงคนสุบทนทางบ่ท่านสีลงเอ่ยว่าตามก็อยเยิ่มขีมาคำกล้วยยาวหัวมันเถอะเท่าขนบว า, าสันซา ตายสรหัวมันมันที่ตกมือลงหกกับจ้าโยมพบาลค่วงไปก็มัดกายมือลงหกไปกินอ้อยอยู่คือจังเขาวาสนะเ้าแผ่นบาวาซักเขนเรีนว่าแล้วเขาว่าจะไคแพ้ห้เเาเขากะ ว, ว่าแหลจะจยาเขาดอกอันน่ะเรื่องของไั่ห้องมันของคนในโลกมันอยู่ในระดับเดียวกับหองไพ่ห้อมันไปเห็นซําไหนก็บอกไปซ้ำนั่นละ บ้านเมืองเป็นเจร า, าจนสมัยทั้งเพียงนี้แล้วซึ่งข้าเจ้าประสันคันแข็งกันทั้งวัตถุนินยมมูเฮ้าก็ยังในอุตสาหมาบวชน้ำศาสนาพระองค์เจ้าของเฮ้าก็เรียกว่าเฮ้าได้แวกเว้นแวกไห้ออกมาได้ลบนี้ขาซึก อ, ออกมาได้ก็ว่าได้ น, นี้ แต่ก่อนนี่ยขาซึกงล่อมมูเห่าอยู่คือฆราาวาสเรียกว่าเข้าล่อมบ้านนี้ห้องเรี่ยวๆเอามาได้แล้วเรลยกว่าห้องนี้ขาซึกงได้ชั่วหนึ่งล่ะห้าก็ตั้งใจปฏิบัติท่านผู้ได้ตายห้องก็เห็นอยู่เลยเอ๊ะผู้ได้แก่ห้องก็เห็นอยู่สำมุน้ำห้องก็เห็นเน้องแก่อยู่ ก็ เ, เห็นเทาเก็บก็ขอขอเห็นเท่าตายจากเสาสายาบเทียงยแต่บัญญมตายออกจากศีนธรรมพ้าหน่อยพระนมเน่หน่อยเน่นมจะหัดตื่นสวยมันบอมีพันญาตื่นสวยอะไรย่าพา ก, กัาหัดนอนรับตเตวินจิตใจเสาร์หมองอึดอัดเมื่อจาเป็นจะไปหัดนอนเว้นตื่นใหญ่ บ่เกิดจิตใจก็ บ, บ่พองแผ่วจิตใจก็ บ, บก่กระพีกเปลาเวลากลางคื น, นห้องก็มีเวลาท้ไปไไเวลากลางเว้นว่ามาวางห้องอยากอันไหนวัฒนลรรมแต่กลามี้อยากไมีโยมมาเห็ดยูบ่มิจะพระ้อตเอเอกข้อปัญหาวางสันต์แต่ถ้า ห, ห้องสิบปอยให้เขาเห็ด เฮาอย่ามันบอกุ่มคานี่ที่ได้สั่นพระเจ้าพระสงฆ์เฮาจังไดไปเบิงน้ำภูเขาสิมิชัดท่ามาโซเป็นโซตายก็เฮาขนาดนี้สวชีวิตท่องเฮาเฮาบนน้เราเห็นไดยห้องมีเท่านี้หนักโน้มเขาก็เพิกกับเล่าก็บอกเลยล่ะลูกปู่ขาวดีฉันก็เห็น ที่ไหนที่นฉันก็เห็นไปเห็นหมดแล้วเขาไม่มาโซเป็นสซตายนอนดินก <waters S 2> <that> ินหญ้าขนาดนี้ดอกมีแต่ที่ฉันคนเดียลมาเขาเอาเงินยัดให้แล้วเขาก็ไปเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนปีหนึ่งเขาจึงมาคอยดูถูกบใจเขาเขาก็เอาไม่ถูกใจเขาเขาก็ติเตียนผวกคุมติเตียนพระเอาเงินให้แล้วมาดู จะดีหรือจะชั่วทีฉันก็นอนดินกินหญ้าอยู่ด้วยโซเป็นโซตาอยู่ด้วยระเบ้ออยู่ทีฉันเคยเห็นเหมือนกันเขาออกเงินให้หลายล้านล้านก็ดีว่านั่นท่านั้นล้านว่านี้ท่านั้นล้านเขาไม่ได้มาโซเป็นโซตาด้วยว่าไม่มาต่างแดดนอนฝนด้วยนกสียัดตัวพวกหงจักหัวอะไรพวกเราเลยาไปบอกให้ฟังตัวก็งพว่อยไปบอกกับเราเนา อย่างเรานจยถูกคืเกิดไปทมเรื่องเรืองบกสวนนะกับขึ้นมาแลวบกสวนเพิ่งกับว่าถามครในปฏิวัติที่หนเนาะเขาเลยเกิดไปทำบกสวนนะก็เลยฝ่า น, นี้หละต้ก็เบืงอยู่แต่ไปยามไหนไหนเมื่อในภากันเฮ็ดตีตัวเสอมอแต้กากับกับกัักห้กกกกอยยางขยะนกจ่ยยังบวกบอกใครไปอะไม่จาเ ป, ป็นต้องบอไปเพิ่งใส่บันฮา ว่าอุปกรอนถ้ามีคุณหญิงคุณนายมาอยู่ประจําำก็ดีฉันก็อยู่ไม่ได้แล้วนั้นไม่ถูกกับดีชันคุณหญิงคุณนายเออลนล้วอะไรต่อคุณหญิงคุณนายเนี่ยเงินเดือนของเขาเพียงเดือนละหมื่นก็ตามเจอ ล, ลูกลูกหลานของเขาค่าเอ้อน้าเอยค่าไฟเอย้อเขาก็คว้าหน้าคว้าหลังเขาคงไม่ได้ม า, มานอนเรื่องพระเรื่องสงอย่างนี้ดอก ที่นี่สาหรับคุณโยมทุ่มเทเหนือเขาแล้วเขาไม่มีเสียงหรอกคุณหญิงคุณนายก็ไม่มีใครไม่มีใครจะมาโศเป็นโทรตาอยู่ที่นี่หรอกอถ้าจะพูดว่าเป็นศัตรูมันก็คุณโยมจับด้ามดาบแล้วเป็นเลยหัวเขาจะมาพูดตำตึงสูงไม่มีหนทางหรอก การที่จะมาก่อสร้างถึงเพียงนี้ถ้าไม่ทําที่อยู่ที่พักถึงเพียงนี้ก็ไม่มีสิ่งที่จะไม่มีไม่มีที่จะเก็บของเพราะลงทุนมามากก็ต้องทําอย่างนี้ถ้าไม่ทําอย่างนี้ของจะไปเก็บไว้ที่ไหนเพราะเข้าสนิมเป็นจนผู้ร่ายก็รักเป็นที่พักที่อยู่ก็ต้องทําอย่างนี้ไม่ทําอย่างนี้มันก็ไม่ไหวเพราะมาโซเป็นโซตายอยู่ ไม่ใช่เอาเงินมายัดให้แล้วก็หนีพวกอื่นเขาไม่มีเสียงหรอกเพราะทำเหนือเขาไปแล้วแม้ถึงโจรมาจะมาเบียดเบียนก็ดีด้วยค่ารับไถ่รับถอนก็ดีหรือจะมาจี้มาพ้นก็ดีมันก็ทับคืนกับเขาหันอิบ น, นั่นเอง พรมาสร้างความดีเหนือเขาแล้ววางสิรเราเนี้พระเจ้าพระสงฆ์เข้าพให้เป็นกำลังพระเจ้าพระสงค์ที่ฉันก็ไม่ติเตียนท่านหรอกท่านก็ดูแลอยู่ให้ความอบอุ่นอยู่ทุกๆพระองค์ทุกๆองค์ที่ฉันก็เคารพอยู่ทุกๆองค์ นี่ห้าสิว่าห้าสามห้าแปลงยังโมเมนตได้นี่จังในวางสักเมื่ออยู่หนีที่แปดปีทีติดกันวัดก็มีเท่านี้แหละเสื้ชีวิตนี่ก็มีวัดเดียวเท่านี้หลวงปู่ศีมันต่างพันวัดแหละ น, นั่นจะมันสามมันแปงอี่ที่นั่น ห้ามน้าม้าเจ้าพ่อผมตั้งสิบสองปีจนสิตายส2องปีก็กลัวก็เจ้าพ่อมาเบื่อเบื่อตาบางพีที่ตาบางน้องในปีนี้แหะพ่อได้ปลงน้าออกกับบ้าพ่อเป็นนักใก่ปานใดถึงเปิดหนังก็ยังเรียนส่งส่สองส่งส่งสยังหัวบนหันหัวบน น, นี่อย่ นี่มันขึ้นปป้อยให้ยืดสะดวกสบายว่ได้รบกวนนก ว, วันหนึ่งข้นหนึ่งต่อภากันอาจฉิเห็นแต่กรมตระลับทับแต่นอนหลายขันรับสี่ทุ่มเมือ่อกระตื้นตีสามพอดีสำหรับคนหนุ่มสำหรับผู้เฒ่าว่ามีกำหนดดอกฮาร์ะเคียมันบ่หลับขึ้นละ สองสมองก็บทางหยากมันทีรับกนก็ดีรับหลังก็ดีมันทีรับซ้ำเศ้าก็ดีถ้ามือได้รับซ้ำเศร้าก็เรียกว่าคุณตีสองตีสามหมดแะมันจะค่อยรับบอกสันเอาหลอดว่ามันมาคืนต่เก่าด้ฉันข้าวตื่นเนี่ยมืเอเศร้านะขันเ้านักทางนอนและอืดอาดด้วยเมือ่อนอนท่านได้แหงกลม่มแห้งจม คืง ข, ขังเยื่อนเมื่อยหงมาคมาืนว่ำให้ง่วงนอนดเอยญาติจไปอมขีแขวพ่อไว้หน้าไหมให้พากกันไปลากปากลากข้อคันนังอยู่อนในมุ่งมันซับประงกจังสิฮะก็ออกมายางนอกได้แล้วเพราะอสิมักอยู่นังเจนในมุม่งแทะยางนอกก็ยังนี่ยังเหงาสันไล่ขาลูกไปร่มพุ่น ไร้ขายจะของอะ่ะเพราะเปนแอเปิล น, นึงแอสฟัลต์กับฝ้าหันเยลเซกถนห่าหัวก็มาเยลเซ ก, กถนวางไหนนี่เด้ว่างอายุหกสิบนี่เด้ต่กี้ปวดแล้วหคนไรข้ขามาลงไปลุ่มละทมันซื้อนานซื้อนี่วันนั้นจังพ่อันนี้เด้ ข้อะพุทธกรรมฐานเนี่ยหาวกระว่าห้าเรียวโกมูลละเนี่ยขอวัดเนี่ยขันเลว้ยก็ห้าไปแต่ไม่มีคนเบิงเลยกรรมฐานเนี่ยมโนสมเปี่ยนคือผู้คือเขามโสมผักพอผักไม่ผักฟีีผักหนองมากพระวน า, านี่ร่วงมลล่วงปรตามมันบริกรรมเย่ะด้นักทั้งบริกรรมจะใครอะไรพระวนาเนี่ เม่อมันห้าสี่หอบเอาหอบเอาคืออันสาปาก่นี้ได้บ่อยเล้วัตาดกับบริกรรมยุทธเน่ไปบินสบายมื่อกับบริกรรมยุทธเน่เที่ยงขาไปขามาร่วมื่อล่วงวายเจ้าคอยชีดึงให้เป็นเครื่องให้มีเครื่องลูอยู่อันภาวน่ามันบวชามือหาเวียนมันบวชายามันทำทาทำท่าง เมตตาพบกมอวิหารเนี่ยใส่เลเบิดมันเสียแซลเยื่อกระางปัดชนะให้มันเปิดสุกชำได้มมไม่มีวิไม่ไพกรรมฐานอันนี้ร่วมงานกมูมูผู้ภาวนาเมตตาจิตเป็นสมาธิได้เร็วเพิ่งกว่าอยู่ดิ ผู้ใดประพฤติเมตตาผู้ใดภาวนาเมตตาชั่วรัเนิ้มือเดียวผู้นั่นก็ชื่อว่าเป็นพิชิุสมณีนยอยู่เนื่อกับผู้นั่นมาอยู่ห่างเหินจากฌานบริกรรมเมตตาเพิ่นกับเมตตาโตขึ้นัน้เขาบอเป็นเว่นก็เพิ่นเพิ่นกับไ่ได้เป็นเว่นกับโตเนีย เพิ่นก็ไ่ได้พลิกคิดพลิกไก่มาเบียดเบียนเฮาเฮาก็ ไ, ได้พลิกคิดพลิกไก่ไปเบียดเบียนเพื่อนเนี่บพเสียเวลาทั้งสองฝ่ายมันเป็นเครื่องดึงดูดกันเมตตัญจาราพโลกถึงขึ้มาในสัมภารยปริมารังเพื่อระ ง, งับโทษสะโดยกุงเนี่ยอันระงับค้อมผูกเว้นผูกไ่เนี่ยเมตตาอสุภะระงับข ว, มวมองงวมกำนัดหักสวยหักงาม ในไส่หนุ่มหญิงสาวมรณะนะพี่เจนะควบใายอ้จังมากถึงตนนะเพื่อระงับควมนอนใจมันสีรืมอตายมันสิเพิ่นพระวานาพุโทโธนะเพื่อมันมันสิบุคือเห็นคุนพระองค์เจ้ามันสีอากตันยูมันสีว่าอันไดมากนะ มันจะเข้าใจมันวัฒนารรของมันหมืนมันที่ประโขดในพนจังหวัดที่แทกกินท้ง อ, อ, งนองพระองค์เจ้านุ่งทองพระองค์เจ้านอนของพระองค์เจ้าอสูบยาสูบยาพระองค์เจ้ามากระเขี่ยวของพระองค์เจ้าอก็ไฟลูกนึงก็เป็นของพระองค์เจ้าซับได้แต่โลกทานเนี่ยซับวัดบ้านก็สร้างซับวัดปลาก็ตาม ในไฟพระภิก ษ, ษ ส, ม ส, ม า, สมกามัญินัพยแม่ขาวทรัพย์แม่ซี่ก็ะตามทรัพย์พนักเลี้ยนก็ตามมันเป็นาาทัพย์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมือดพราะเขาเขาเห็นแก่นางขาซื้อเขาเอามาหายมูเฮ้าไต้ลูกกระทาเนี่ก็คือกันในไต้ลูกกระทานี่ก็เป็นทรัพย์สมบัติของพระพุทธเจ้าเบิ้ดพอเพ้นว่างไปแล้วขอพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ชมาชพุท ธ, ธจำพวกหนึ่งพระเจ ก, ก็พุท ธ, ธจำพวกหนึ่งสาวก ว, วิกาจำพวกพุท ธ, ธจำพวกหนึ่งสาวกกรรมพุทธจำพวกหนึ่งสาวกของุาทาทั้งหลายส่วนพระพระเจกมันไ่มีสาวกถึงย่างนั้นก็ยังจัดเป็นที่สองของมุทาอยู่อยากว่าพุทธเจกพุท ธ, ธาสาวกพุท ธ, ธ สาวิกาอภุดทะสมมาสมพุทธะคือหุติเก้าชี่จําพวกนี่ไม้อภุทธะนี่สีไม้อะไรแท่งเพียงแค่ไหนจ้าสีไม้ได้สาวิกาอภุทธะสิไม้อาเพียงแค่ไหนสาวิกาอภุทธะสีไม้อะเพียงแค่ไหนไมเอะไรพระสุตดัมเป็นต้นไป พุทศาสนาห้าวเสี่งยงน้อยก็สร้างถึงวัดบ้านวัดปลาเทิงวัดนักเรียนสีมีหน่อยก็ศาสนาอื่นก็ตามถึงอย่างนั้นก็นยังเด่นก็ศาสนาอื่นอยู่อโคกขังอ๋อพูดได้ไปลุเอาหูช่องเํามเหตุผลพระเยซูมีบ่บุมีได้ห่าวเห็นอย่เกลี้ยได้เอาพวกถือผีข่าหนิพวกถือผีอัดตูผีเห็นี้ได้ข่าหนิ จบปณิธานนั่นคือผูเห็นผู้ใดที่ดีพ่อปณิธานตัวพีนพวกเก็้ผู้กินย่างสูงก็กอ ก, กถูกถูกจองโดยอิฐโดยขอไปได้เล็กน้อยเท่านั้นู่้เสวยไปกุศลีวิหารของพระองค์เจ้าข้าวสำและพระพุทธศาสนาสำอ๋อนพระเยซูศาสนาอื่น วัตถุนิยมมันมีอย่างนอันนี้ศาสนาพุทธไปบงังไซพอเดเบิ่งแกของบร า, านผมก็ยังมีอยู่พระพุทธหลุขอมพระเกดีบวชิมกระไดของฉันว่านัหมูมเห้าทั้งวัดบ้านทั้งวัดป่าทั้งวัดักเลี่ยทั้งวัดปฏิบัติถือศาสนาพูธอันเดียจักพียกันค่ะด้วยผู้หนึ่งบูยุบัดปลาเขาประพฤติยิ่งยังไงฉัน าก็สว่าข้าเด็ดเดียวจังไรันผู้บรยูในเมืองในหน้ากิเลศเพื่อนบัหลายทอข้าองสีกสิบัวเพ่นยิงบอกบอกองสันว่ากะสีบัวเด็ดเดียวบอกเพื่อนบัเพื่นเด็ดเดียวสไมเอาเพียงแค่ไหนาไม้เอาว่ากิเลน้อยว่าเด็ดเดียวได้ันขี้หลายเด็ดหลายทอบาดท่อเมืองนี่ข้าวกว่าบเป็นเด็ดเดียวได้เดียร์ข้าวหรือบอกไปงั้นสันสี่ผ้บาดแดนอมผู้นี่มือมือก็ตามใช่ไหมกิเลศท้อฝาทอแเนี่ากล่าวเมื่อยขึ้นกัน พ่ามาอมแอบวันหันว่าผ้ามาหน้าเยินค่ะเดี๋ยวอาปากกินล่องขี้ส้มผู้กะแล้วก็กี้เละท่อฟ้าท่อแถว น, นุ่นท่อกว่าอตจันทร์เนี่หันกระไรหัวยัพงพอนเสียนโถดกิเลสอะยูบานก็นตามเถิดยุป้าก็ตามเถิดไปไซก็ตามเถิดทึกขทั้งร้าย จงผ้ากันปฏิบัติเพื่อคนทุกในวัฏสงสารนั่นเถิดอย่าอยู่ก็จงอยู่อย่าไปก็จงไปนั่นเถิดเลยถ้าบ่าบ่ยังสั่นเละอยูย่ก็บ่เป็นประโยชน์ไปก็บ่เป็นประโยชน์ขันบ่หวังยังสั่นแล้วสี่ถ้ำสร้างบารมีเพื่อนี้สงสารปฏิบัติเพื่อคนทุกทั้งนั้ น, นว่บอกสั่งแล้วสืลืมความผลทุกในวัฏสงสาร สิมีผู้นับถือเรือ่องหาไปไหนก็ตามสิมีผู้ลังเกียจไปไหนก็ตามสิมีลาบหน่อยก็ตามสิมีลาบมากก็ตามอาศว์ไปืมคข่วมลดผลในวัดเจ้าสงสารเน้อให้เคสให้ลาบในวัดเจ้าสงสา ร, รเนื้อไอ้ทุ่มเท่ข่วมเคสลาบเขาใหายมากมากภิกซุเป็นผู้เห็นไพ่ในวัดเจ้าสงสารเลยกย่าภิกซุผู้มีแต่เพิ่นในวัดเจ้างสาร เขาเรียกว่าพระสุขันเพิ่นน้าชิ้นมันท่ำผันวาเพิ่นน้ำวัดตาสงสารเพิ่นน้ำโลกน้าโลกาเขาน่ยนางน้ามีน้าดีน้าไรน้ำเงินนขํานําสิงนําของเขานี่เพิ่นมาส่งเสริมพระองค์เจ้าเพิ่นน้าชิ้นน้ำทําเพื่อคนทุกเนี่ยเพิ่นส่งเสริมชมาทิแปลว่าความสงบอยู่ ได้กรรมฐ า, านอันนั้นที่เข้าตังไว้ขันเท่าที่ไปพักก็จได้สมาธิไรกับผลเพรอะไรอีกละ่ะภูมิมาคคือเท่าคือทหารออกรลบหลุดว่าออกต่อสู้จกเทลียร์ไม่ได้เขายุลุ่มเพาะทะพืดทะเพื้อมาถ้าเขาลอมลุ่มเพาะไดนี่แหละฮันี่มวยมันไปได้หรเจออา้าอีทอนเาสันว่า บ่ออกต่อสู้ของพวกหงจักบนแผ่นวัฒนะรรมนั้คือกันพ่อพักในสมาธิกับพักบ้างพ่อต่อสู้กับต่อสู้บ้างนั่นแหละเพราะมันม่วเล้วคือนักมวยเอกน่ละเมื่อเขาสิลูกนาเดียวถอยเขาก็ถอยถอยกับถอยเม่ท่าลูกกัลูกเม่ท่าถอยก็ถอยเม่ทาลูกกับลูกเม่ทากล้วยมันซ้นกันขึ้นกันล่ะฮา้วโตถอยแจ๊กแจ๊กแจ๊กสีดพร้อมทั้งสวยทั้เสีดทอเล ออกถอยเขา่าถอยออกถ้าเขาย่าหาอหนงหอตอพี่กหน้าให้ปัญหามันน้อยลงปัญหาความทะยอท ย, ยานในวัฏสงสารนีะให้มันน้อยลงการปัญหามันน้อยลงกิเลกก็ น, น้อยลงน้ำขึ้กันล้เฮดส์เมอนี่เฮดดาจำเป็นมันมีบยู มันปีนขึ้นยากเพาะัน น, นิษฐานนี่มันก็ป็นขึ้นยากอีดีเพื่อนวาเฮียไทยขึ้นยอมือไหร่เพียงชั่วขึ้นมาหอดได้กะ น, นี่หน้าเอากระอืดอีดีสิวา่าอย่างไรสันสันนิางหองกรมายยากอีดีเพื่อนเฮียไทยกับบุญหัวเราบอกหอเหามาอยู่บนยางนี่ไงสันโยกกระแนโลกเนี่ยเพ่อนก็ว่าเป็นทุกข์อีีเนี้ยเอาสมาเกิดเยงกนัว่าก๋กำหอหมาเกิดในโลก เหนว่ากรรเพื่อใดมีกรรไรกัดจังมูเฮานี่ยล้นะ่ะ ป, ปลี่ยนไปคือเขาลงหวยโคดเขียวอย่าลาบากสี่พื่อเพิ่นโบมีกรรมไรคือเฮาเพื่อกลับไปสบายสบายสบายเห็นบ่เพืุ่กขี่มาไร้คนจังให้มาห้องกนันตัวละงมูเฮาเพอพื่ได้เพื่อใดมีบุพกรรมคือเฮามันเพิ่น็ยังวัได้มาเนี่ยไปไปอยู่บนอื่นเถิดเฮามันสิมีบุพภกรรมห้องกันตัวเขาจังได้ปลี่ยนกัพูดคือเขามากส่ อย่างยาดอกถ้าปีนไปรบไปโกรไปล้มมันแหงสั้นก็นี่ดอกมันลงง่ายแต่มันห่างห่อนเอาก็ากษตรล้มหมดลงมลลงมละิษกับลงง่ายเมื่อได้ปีนลงมไตดินผลเอาผลผลจากล้มท่า น, นี่ น, นี่ถ้ามไม่ได้เป็นเครื่องยูแหละอาหารการกินการสารั่นเออ ก็มีพ่อในสันในท้ายย่าอกห่างบ้อร้าย่้อแม่เนี่ยสืออึดแทะพานุงเพื่อถือกับพ่ในนุ่งในถื อ, อย่ห่างบ้อรายกตฏิกกับมีพ่อในน้อนอย่ห่างบ้ร้ายคือเพลินก็พ่อปฏิบัติไปตามภาษามหามูฮอหล่ะหมมันหวานเมืมอนเงพ่ดรอก่พอหลาปีมหมูฮอก็ตายไปอกสังขารดรอกไม่นะมันนี่ก็ได้มหมูฮอกับบังว่าถ้าเป็นเพลินจะพูดจะ ก, ก่อนนี่ อยู่เพราดีปฏิบัติจะซื่อดอกผู้เท่าดีติผู้จะกอ่อแล้ววะท่านติสก็บว่ามันติบคืออีเห็ย น, น, นอีลานอีการนี่ยงดอกติบผู้จะกอ่อกับติบเพื่อที่ปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ท่นล่ะนีมาติสอันไหนพอไปเที่ยวไซก็ไปพอแห้งแล้วจนเท่าชิตายถึงมันไปเที่ยวทองซอกกุงซอกกุ้งซอกืหนัให้เจ้าฝุ่นีุ้งวิานพ่ายบาทคือจังวง 50, 60, 40, 40ังหาสิบหกสิบสี่สิบนได้ไหมบาดนี้ แต่บาดแต่ยางแต่โตกระสีแต่เส่แต่ขัวอะไจะไปพวกแหม่บาดเนี้ยันมงงัวมันจะฆ่าแคล่ะขัาแม่งัวมันกัดเขาผูกไว้ใช่คมไม่พื่อนบกโกร ก, โ ก, โ ก, โ ก, โกุลต์ตีนเสียงหาอาหารามารหนึ่งดูคร้งลุบอ่างมากโบกดักลุกอ่างมากอน้าเหี่ยวๆตาหำตาไยไหลซ่าซะ ากากระจับยือน้ำก๊กไม่กระไรเห็นค่อยตะ ก, กีก้ากากากากาเดี๋ยวไป ห, หันหาจากค้องเอาไปเห็นเนี่ยที่กากา้าเสียงยูหันมัดหนึ่งกระถางสีแต่แตเธอ่ะเขาเอาใส่หน้อมยังไช้ำนั่นล่ะเดี๋ยวนี้หายจากซุนโบวีหวานพายบาดไปบางเปมียเดี๋ยวนี้สีได้ต้นย่างรายสีได้สมบุบุนิ่มคม แหงก็แหงดำเก้าสองเนี่ยนหนึงแวซาบอกคือตะกีดเนี่ยขันไม่เกียนมากกน้าด้แม่ไพมาตอกเสนอสตัวปิ่งตัวกบกึกกบกึกกบกึกบ่จักว่าลูกกระโปงบ่จักว่าดมแตกเผาหักสารพัดแหละเสียวนาเสียหลังแะกีถึงจึก ขึ้นดีดกระดาษออกไอนก็ร้อนออกเดี๋ยวเอาไม้ถูกเตียกห้องไว้แลก็ตีไอน์ลงมูอห้องเยาวังมาสิดนุ่มขึ้นได้เดียวนี่ใครคือกันเมินนุ่มเทานุ่มมาแล้วล่ะเดินเข้าไปใกล้ข้อตายทุกที่ได้เดียวนี่กืนเขาคืนเขาคืนเขาคืนเขาเนี่ยแต่กิดใจทางไม่ยอมตายจากสินทำ ชนสกุและหลังกายยาำมันเท่าที่จัตทีกาลังมีอยู่เธอขันประมาณยามเสาเธอจะประมาณยามเทียงบัญญัติกานีบาทบอกขันประมาณย่ำเทียงเน่ยจะประมาณย่ำใบขันประมาณย่ำใบจะประมาณย่ำคาขันประมาณย่ำคำจะประมาณย่ำเทียงขึ้น ขันประมาณเน่ามเที่ยงคืนนี่ยย่าประมาณเน่าพรคืนแล้วจะประประจะประมาณเน่ามเสาคอนบินธบาสฮานังเที่ยวไปบินทบาสเวลาไปเนี่ยเอาไปน้าเวลากับบอกเอามาหมายความเวลาไปผ้าวันหน้าไปเวลากลับผันผ้าวันหน้ามาเรียกว่าเอาไปแต่หั่นบอกเอามาอะ น, นี้แบบนึงหนึ่งเข้าไปแล้ว บัดกับไปจามมานพอพภาวนาบัดไปผ่ผ า, านบพพระวนาเรียกว่ามีแต่เอามาบัดหาไปบ่บเอาไปเวลานจงเทิ้งเอาไปเทิงเอามาเถิดพราวนาเทิ้งไปเทิ้งมาตามสติกำลังจะ ม, มีธุระเบามีธุระยังมีธุระนึกคิดก็พลิกไปซะแล้วหากับขึ้นมาฮะเพื่อนาสาร้างโตเพื่อนสร้างยังกรรมฐานตที่เคยพี่ชนาอยู่นะเจะาเพือนสารางไผสนักอันนี้มันถึงเขากับเพราะมันหนอก เดี๋ยวคนทีานซาทองไปเขาม้านละต่ว่าการพรวนาเมตตานี่สบายกสุเ น, นีเ่ยโอ้ยเฮ้ยมันมาเอาเรื่องกับ ไ, ไหมหนยินเสียงเข า, เ, า, เ, ขาเขาห้องเขาโห้ออกีกปัถนาเขาเป็นซุกฉับในพระพุทธธรรมประสง์ให้เขาเห็นโทษในเรื่องห้องในห้องมันไม่มีประโยชน์บวชนบวชเ็ Meet เ, เพ่งโทษเขาฉัาให้มือสู้เจ้าเห็นโทษในเรื่องห้องให้องเอมันม่มีประโยชน์ทำไมพราวนาคือข่เนี่ยบอกว่า มันเนพี้ยพาหน้าไปยังสัตว์มันเป็นพวกเอาเรื่องเขาแพทเมตตานี่แพทที่ไหนก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ยังไม่หันรับเพียงไหนก็เลยลึกถึงเพียงเมตตาในเพียงนั้นที่ท่านจะลังนิสินโนวาสยานุวายาวะรัตสาวิคตามิทูเอตังสติงอาดิตเอยยะปลาเมีตังวิหารังอิธามาหนะูยังไม่รับเพียงใด ยืนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดียังไม่ดับเพียงไรก็ระลึกตาเมตตาในถึงเพียงนั้นเราเรียกว่าพระพุทธศาสนาเียเราเราเรียกว่าพระพระพิคสุในพระพุทธศาสนานี้เป็นผู้มีศีลไม่เข้าถึงทิฐิลามกฤทินจะอนุประกรรมาซีดาว่าดับใจสัมปะโนเป็นผู้เห็นประโยชน์แล้ว เป็นผู้เห็นเวรเห็นภัยในสิ่งที่โทสะแล้วกาเมธวีเนี่ยในยะเยทางนังฮิงชาตุขปเสน ย, ยังพลนเรติติย่ยอมไม่มาเกิดในขั้นอีกโดยแท้ทีเดียวเกิดเป็นอุป ป, ปาทิกะขึ้นไปจนถึงเทวโลกโอ้จนถึงพุทธมโลกเขาสู้พระเนยพานในเทวโ ล, ก พ, ลกพุทมโลกคพวกนี้มันลงมากเกิดในขั้นอีกักเกลียดยังมีอยู่กรรมยังหลายอยู่บวสามารติได้พระหันในศาสตร์นี้ ผู้เจริญเมตตาเมื่อได้ตายย้อนเขียวย้อนง่าพอสัตว์ทั้งหลายบ่มากัดต่อยเมื่อได้ตายย้อนหอกย้อนง่าวยดจะควบคือบ่ได้ตายหงนอนก็บพฟันหัทเทวดาก็รักษาไม่ได้จักตายกับเราลงไหลตาย มีสติตายอสุภะคอดีพิจารณาลงถึงถาดเมตตากับพิจาณาลงถึงถาดถาดที่บัมีเวทมีไพ่จิตที่บัมีเวทมีไพ่ถ้ามันบมีเวทมีไพ่อินซี่ที่มัมีเวทมีไส้พี่ไพ่อินซี่แปลว่าเป็นไงในการพิจนาธรรมะเมตตาเป็นได้สักว่าลูบกมีเวทในไพ่ เป็นทศก็เห็นบมมีเว้นมีไพเป็นอัตตาที่โมมีเว้นมีไพ่เป็นอนัตตาที่โมมีเว้นมีไพ่เป็นเล่าที่โมมีเว้นมีไพ่เป็นเขาที่โมมีเว้นมีไพ่ได้ทั้งนั้นนี่ว่ามาตามสมมุติขนาดพุทโธพุทพิญญาพุทโธพิญญาลงทั้งถาดได้คือกัน มาโนธาตุอ si, ันว่อกาัูขันอันบ่าอกันูอินทรีอัน่อกัูอนัตตาอันว่อกาันยู่เป็นได้สักว่ารู้อันบ่อกัยู่เป็นแตสักว่าเห็นว่าอกัูจะได้กันจสุภะ พญาเลงถึงธาตุเลยคือกันธาดเปื่อยธาตุเน่าสกุลละกายนี่โมเมนต์ชัดโมเมนบุคคลเป็นอนัตตาเปื่อยอนัตตาเนอาอเป็นธาตุอนเนาเป็นถ้มอันเนาเป็นขันอันเนาผู้รู้ตามเป็นจริงเงินบ่าในเนาไปใช้นั่นคือตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาอันเดียวกันหันะก็เก่าหันละเมื่อใน้าหนึ่งถึงความตายจะมาถึงตน ข้อตายข้อแตกสลายกันเป็นนาที่ของดินน้ำไยล่มห้ามความออสอนของพุทธเจ้าไม่ได้แตกไม่ได้สลายไปใส่พระนิพพานไม่ได้แตกไม่ได้สลายไปใส่มันกับพี่จะหน้าอะไรคือกันนอ่นแล้วข้าพเจ้าหน้าฮันนพิณอ๋อเงยอาจจะไปรับทรงผุ่นทรงพี่ร่วมบุรุษโลกกับสร้างมัน ตื่นขึ้นมากับมากบาบพระส ก, กันสามที่ก็ยังดีอยู่สิคุ้มบุคุ้มกับบุปยังผ่าถ้าวกาบย่อๆได้กับพระสมุนนมเมสพุทธานั่งนโมเมสพัทธ ม, มานั่งขอวาวไหวพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอวาวไหวพระธรรมทั้งหลายที่รวงไปแล้วและจุบทั้งนาคนทั้งกัจจวัน พุทธก็ดีเท่มก็ดีนมโมเมิสะสะปรังข้านั่งพรหวายพระพุทธเจ้าทั้งหลายอพระอริยสงฆ์ทั้งหลายอันนี้สงฆ์ทั้งหลายหลายอย่างไหนตลอดถึงสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเราหนักนโมอิมุตานั่ง น, นมโมอิมุติยาพระอริยสงฆ์ทั้งหลายย่อมรุดผลเพราะกาบทำอนุรุดผลด้วยแล้วข้าพเจ้าผู้กราบผู้วายก็หวังจังสัรค์ อ้าเทียรขึ้นจากพิสดานกับพิสดารอยู่อางเทีย้จากขึ้นพิสดานกับสิบสองตอนนั้นจนจบวันเนาะมนสิปเม้ น, มนเช้าสิวายออกก่อจะสงสัยเห่าจะสงสัยจากของเขาเอาเช้าสิว่าพิสดานกับ่าสงสัยอุปมาคือเสือกเซนเดียวเหรเขาโกงเขามาไว้แล้วเขาจะไปสงสัยเสือกเซนนั่นเดีวยวก็ยอ ข้าดึงออกไปข้าวกระยัตสงสัยเสื้อเส้นนั้นก็ดึงออกไปจากเส้นนั้นอ่ะสีเาาป่านนี้ก็สร้างแผ่นดินสุดปุ่กรตามข้าโค้งเขามาเป็นโค้งนึงอุ้มลุ่มไว้อย่างนี่ก็ได้ข้าวกระยัตสงสัยเรียกว่าข้าววายพระยอดน้นเวลาเราวายเงาหรือข้าภาวนหน้าเงาข้าวิจารณนายก็เรียกว่าข้าวยืดเสื้อกันออกไปข้าบโบวิจารนายเ้าววิจารในน้อยแต่เฉพาะกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันน่ะก็เรียกว่าทิ้งทั้งผวเมืรวมยุหันเมืแล้ว อย่าไปสงสัยอย่าไปเลี้ยวหานอื่นพระธรรมเป็นไปส่วนเดียวกันธรรมทั้งหลายมารวมยันแล้วิก็มาร่วมยุหันแล้วสมาธิก็มารวมยุันแล้วปัญญาก็มารวมยันแล้วนพิทักเวลาขามีมอดสุที่ในพันกรมารวมยุหันแล้วังขันทั้วงก็มาร่วมยุหันแล้วเป็นจเพียงอเบิงยในปัจจุบันนี่ือรู้ในปัจจุบันเห็นในปัจจุบันปัจบัิเนปัจจุบันสิ่งควสงสัยในปัจจุบันนี่สือรู้ชัดตัดควสงสัยไหม หากันข้าตั้งเป้าง่กับมาทานองข้าวสัตว์ในปัจจุบันกับมาทานอื่นๆก็มียรสาตเป็นอันเดียวขนาดเฮ้ยมีปัชนาต้องอาศัยปัจจุบันเหมือนกันจังสัตเมื่อเห็นข้อเกิดข้อดับก็ต้องเห็นในปัจจุบันเมื่อเห็นอนิจจังก็ต้องเห็นในปัจจุบันเมื่อเห็นทุกครั้งก็ต้องเห็นในปัจจุบันเมื่อเห็นอรณาตาก็ต้องเห็นในปัจจุบันว่ามันเห็นในอดีตในอนาคตเห็นชัดอยู่ในหันเห็นในอดีตในอนาคตมันเห็นเป็นเรื่องนิทานมันไม่อคยออกมาเทียบมาเคียงเลยซึ่ง เามันล่วงไปแล้วเห็นแล้วก็ล่วงไปแล้วเดียอดีตจน่าขอดีน่าคตมันกับพระท่านหินเลยฮะนีมันดีมันกับพระท่านดีมันซัวกับพท่นซัวส่วนอดีตดีมันก็ดีไปแล้วซัวมันก็ซัวไปแล้วอย่าเสื่อหมันมาคองอยู่ในใจประจุบต์ปัญญาโธธมังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นงอนเงียนควอแกในพระพุทธศาสนานีจิตปัจจุบันท่าปัจจุบันแปดหมืนที่พระธรรมขันมารวมอยู่หันละศีลสมาธิปัญญามาร่วมอยู่ในหันอุบาย ได้ๆในไตโลกกระธาตุเขามารวมยื้อหันมืดจ้องอยู่อบนเดียวหันเหมือนเขาฟักลาบสีฟักแจ็กบาดกให้ถึงนาเคียงเหมือนเขาตีทังนะสิตีท่าได้บาดกให้ม่ถึงนาเคียงนาทังสิตีค่อยตีแห้งไงไม่ถึงนาทังไปถึงทั้งเอื่นห่ะอไ่ได้ล่ะเลี้ยงเด่นชนะภาคตายแล้วถึงซุ้มกลางทังสิตีคอยตีแหงไงสันนี้คือกันเออ เป้นเท้ากำหนดล่มให้ใจเขาออกสิร่วมเข่าบาดหนึ่งสีมีคุนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่หันครบเลยอะรมออกบาดหนึ่งก็มีคุนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในหันครบหิดละศีลสมาธิปัญญาอ่หันครบหมดละขันพี่จะหน้าความตายก็มีความตายอยู่นหันครบหมดละันพ่จาความแก่ก็มีความแก่อยู่ในหันครบหมดละขันพีจ้าความมอมันบวเทียงก็มีความมมันบเทียงหันจหมดครบหมดละขันพี่จะนาเป็นได้สกวกอรู้ว่าเห็นเกิดอยู่ในหันก็ครบหมดละนั่นรมออก่มเขาอันเดียวกัน ลูกออกลูเขาตา้งขันยังไงก็เป็นเงื่อนอันเดียวกันฮะเนี่ไพเป็นผู้สมุดละออกไพเป็นผู้สมุดลาเข่ากจิตตาสังขารของเก่าหันตัวไพเป็นสมุดละมัตอว่าลนอกแงจิตตาสังขารของเก่าหเนี่ยไพเป็นสมมุดละมันออกสันออกแง่กจิตตาสังขารของเก่าคือสติสัมพชัญญาบรรูุตามเป็นจริงจิตตาสังขารนั่นะมันเป็นมรรคภาพวนา อันนี้ครัมันมีมรรคภาวนาผลของการภาพวนาจังสามันกับพันธุ์มี่นี่มันมรรคสีมาจังมือนี um, s <S ่ผลยังสิมาจังมืออื่นได้บนี้มรรคแปลว่านังผลแปลว่าผลของนางมรรคกับเหตุกับกรรมกับพืชอันเดียวกันท่นละบอกมาเพ่าะแห้งแล้วอันนี้ผลของเหตุผลงกับผลของพืชผลของมรรคกันเดียวกันท่นละส่วนผลหน่อยผลมากมันขึ้นอยู่กับเหตุกับกรรมเป็นพมาาขึ้นอยู่กับมรรคเป็นพมาาสิ่งพวกนี้มันเป็นไม่เมตตาตนมรร เป็นเมตตาผู้อื่นหมดแะคณะบ่มีเมตตาผู้อื่นนะท่านท่นเน่ยเข้าไปจี่ไปปนใช้ไพสันเสมอเขาไปบินถาวาเข้าท้ำยู่เสมอเนี่ยม้นเป็นประโยชน์แกผู้อื่นนํานหรืหรือเป็นประโยชน์แกห้องมั้มูเห้ก็เป็นประโยชน์แกผู้อื่นนมันตัวห้องเฮ็ดยู่เสมอมันมู่ห้องไปสางฆราวาสยืนด้วยหันลูกสิบรางมาออกพ่อแห้งอลไบอกรหันหน้ามู่เนี้ฮนี่ยศิบเอาบอหัน เมื่อนซาดเมื่อก็เได้เฮตต์ตัวเขาไงเนี่ยมันว่เปลืองเนี่ที่เขาบอกไงห้าเขามังสี่เหลียกบัวาบเรียามมีตาเขาบอกขอนห้าไปเป็นคู่ให้คูนาคูองอกคููสวนก็เขาวง่ลหันหาปไล่ลอยไล่สิพอหมดละบอกสัตหลวเมื่อก็เป็นประโยชน์แก่พวกูข้างหลังกอยเรียกว่าห้าทำหมันเนี่ยนี่พระพุทธศาสนาทำหมันแล้วเนี่ยพระพิสมณมีลูกมีเมียดไม่ขาไม่ซี้กับไม่มีลูกไม่ผัวดอ กเพราะเขาขึ้กันบมันหลุไม่ผัวเรียกว่าทรมันแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาทรรมมันแล้วแต่หาบ่หาเป็นมันทั้งสินทั้งถ้ำฮคิดใจส่วนมันทั้งคงเกิดทั้งสิบแปดสามคนมาเกิด ม, มันมันแล้วเนี่ยบอก ส, สัตวลุงอภะซุมาบวชเอาไม้ขาวไม่ซีสุ ม, มาบวชนี่ออกไปยุททั้งโลกมดุดหนันเออเรียนการมาลาคามุกโหันโค่แต่ออกมาจาก้าสัตวน สิมีไฮไม่น่าสายหายทางเีออกสันลูกานี่คุณผู้หนึ่งผู้หนึ่งสามานุไม่ลู้ย่างลอยกัดหาคุณกคนให้ได้ผู้ถึงสิบเอ็ดผืนก็ามีฮะเนี่ยฮะเนี่พระในประเทศไทยในประมาณสองแสนกลัวๆะเนี่ยเอาสิบเอ็ดไปคุณสองแสนมึงรู้่ะนี่หรือเอาเอาหาเอาหไปคุณสองแสนมึงรู้สิเป็นคนจักแสนย่ะเนี่ยส่วนลูก น, นร้านออกมาเองกอันนี่ท่นเหรียญออกมาเง น, นี่ท่นแผ่นดินทอ เ, เ, เก้าค่นี่สิบวาเ์าเมตาผู้อื่นบอกอันนี้เขาไปเป็นคู่ญาติที่ดินุเขาเห็ทเห็น ห, ห, หน้ามึงร้ว่สันมันที่พ่อบ่กดำจี๋สีสามสีไร์นี่บอกสันว่าครวเขาประตูอาตอมูเขา่ขาอัขานขี่คันขี่คันเด้พวกนี้ไปมีดูมีแม่มึมมมมงรู้อ่ะลูกแต่งเขามาทาร้านเหรียญแต่งเขามาทนามีแผ่นดินอยู่บ่เจ้าอิทาน ไปแยง่งซื้อแย่งขายกับเขาหนิมึงจะล่ะไปแย่งลูกปอกเขาวังลุกหันนี่มันทางบอกหันไปแยงห้ยน้าว่งปลาเขาวงลุกนไปแยงลูกแย่งเมี่ยเขาอีกเมี่ยผู้ละคนละคนละคนพระกไดเมาไมซี่กับผัวผู้ละคนละคนนั่นเนี่บัดห้าเฮ็ดกันออกมาแน่สีร้ายบนไดชัน น, นั่นนัน่นเพนดินเไดสพ่อัน สิบัว่าห้าวประพฤติเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ่เข้ายวงสิกระได้ไปดำให้ดำหน้าสร้อยผลผลิชังสิว่าเป็นประโยชน์อันนี้กุฏิวิหารมันมีมากไมา้ ก, กายกองก็ดีฮะนี่เข้าไปดิซื้อเป็นส่วนตัวเข้านี่เน่หมู่เข า, าไปดิซื้อเป็นส่วนตัวจากเถื่อก็เป็นของพระพุทธศาสนาของประเทศชาติบ้านเมืองนี้ทับกาวาสิบัว่าเขาท่าประโยชน์ตนและผู้อื่นบ่สัน่นเขาเฮ็ดทั้งสิ้ ข้ า, ญญาศน์หยาดศนยมเนี่ยข้าศน์โมหัยขาชัดรักชาปะคือพิษในกล่าวข้าศน์โมห้มีเว้นมีพยกันตัวศิวะว่าเขาทประโยชน์ ต, ตนและผู้อื่นหมดสันบอกขอ้าศนว่าถ้าไอ้ค น, น, น, น, นรักบัณฑ์บัณีเองสิเขาเนีวา่สาสงสัยมู่เฮาบอกว่ามู่เฮาเป็นพระสุนีมาไปปลอมปอมรักน้าเขาเขาเดว่างเทียบบอกสนเขาข่ากันลมกันตายมังสงสัยพระมู่เนี่นไปฆ่าเขาก็เพราะเห็นผู้ใดวาางเทียด้เนี่ย ถ้าเป็นหัวจักเขาพระเจ้าพระสงฆ์เป็นหัวจักใน่าทั้งดีตัวอนุตลัางปุญจคิดต่างโลกัตริตินี่เป็นนาบุญของโลกวะสันไม่ได้ว่าหน้าบุญหนึ่งจะบั่นแว่งวันลูก ป, ปึงบ้านโมนีเด้วัดบ้านคือกันวัดปลาคือกันอันาว่าวัดเจ้าวัดคอยนี่ยมันว่าตามสมมุติโลกไพ่หนอ ก, กนซื้อล็อกกับ ว, วัดพระธรรมธาตุเจ้าของเก่าฮันบ้านบ้านก็ได้วัดปลาก็ได้ ไม่หน mm ่อยไม่ไรกับของพระธรรมาพระมุติเจ้าของกระบอถามสมุทรอไปติดจเพียงแค่หันอะไเลกขึนงขึ้แกก็ไม่ได้ว่างก็ะบอกออกตลอดวัดนักเลื่นก็นขึ้นกันวัดบอกว่านี่คือขึนกันวัดสามพญาคือกันวัดมหาในกายวัดบวรกันขึ้กันก็มันสมบัติของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของห้องวดทั้งนี้บอกสัตเอาหลอดว่ะเอาเชือกสัตว์ะคว่ำฉีดถึงห้องกรบอมี่จวาอะไรัน ถ้าเราคิดังั่น่ะมันก็ขี่หึงที่ขี่หึงน้าฟักน้ำายวันเถอะผู้นึงพระวนาพุทโธอยู่พุ่นอยู่เมริกาพุ่นผู้นึงผมพระวนาพุทโธอยู่พี่ข้างนี้แต่พอเห็นกันเนี่ยเคลียสิว่าอยู่ใกล้กันในถ้ำบ่อทันสิว่าเป็นมิตรเป็นสหายกันในบ่อทันก็มิตรเป็นมิตรเป็นสหายในถ้ำถ้ำไรที่ผู้ใดมาหากระชังนสิว่าเป็นมิตรเป็นสหายใั่ไหมหรอผู้ใดมาล่างกระทถนให้ผู้มาล่างกระทถนให้สิว่าเป็นมิตรเป็นสหายบ่อทัน พวกเขาจะฝากฝ้าเรียนดีบุญนั่นญาติมิตรญาติถ้ำเมืนก็ยังว่ามลนามันมัวถ่าล่วงไปล่วงไปล่วงไปมันมัวล่วงเงื่อนเึ่เข้าเขาใกล้สิ้นลมป่านพร้อมบเห็นปากลาปะโอ้กิเข้าอิย่มเลี้ยงเขาสันสุยาจักรพรรดิมาันเพราะว่าสุบยานี่ยค่อยงวยงยรงสับงนั่นถึงข้ามันล่ะ ไผคือกันมัดเฮ้ามันติดตายด้วยวิธีใดเฮาก็มองมาเห็นคือการรักกาเชตุงทเนนะว่าบุคคลบะไทยถอนการควบตายมาถึงแล้วบะไทยถอนได้ด้วยซับและด้วยเวทมุ่นอันใดด้วยรักกาเชตุงทเนนะว่าซับก็ดีเวทมุ่นก็ดีไทยถอนควมตายบะไทยคนตายมาถึงเนี่ยมันมากค้าบักเลยอะไันพอถอนได้หนึ่งไม้ขั้วมันป่วนถึงข้าวมันันถึงข้าวมันมากจะแท่นไทยถอนมาเลย เขาควงขอนีรีเล็กกลนมาถือหัวพวกคยคนเคยตายงงพวค่ยคนเคยตายยอดปืนจิงๆลูกสีเล็กลนมาถือลูกหลงเข้าหันล้ันถึงเข้ามาแล้วพในแขนข้อไปมันเกิด่บย่างดอกมันยู่ดอกมันบรู้อยู่หลุดปืนมันยุข้อนยุใหม่อย่างนี้ย่งนเศาสตร์พระพุทธศาสนาบวให้ คือมึงพะมกข้าน่าดำดินดินบนได้บัติตายก็ตายยอด้อนเขาเนี่เขาสูงมอกนะถึงข้าวมากเลยขากรได้ว่าว ก, กนจกกเกลยีีมีซีวีงสี่บัต้าตายแล้วนมูฮั่วกรได้ว่าอกันจกักของไผไผจักไผไปใส่พวกบัตเนี่ยเห็นกันอยู่กี่ข้อแม่ของมฮั่า้าตายไปแล้วตายไปแล้วกับย่งในไป เป็นพระนกกลไลไลายไลไ ล, ล, ล, ลกันอยู่ในสวรรค์กวดีมันตายเป็นผีก็ได้เป็นผีบวชกับข้องมันนะบอ่อันนี้ไป้องมันเน่ยบานเนี่ยมัวเขาเห็นกันแค่นมนุษย์นี่แะตายไปแล้วกัห้องผห้องมัน่ะบ้านเนี้ยมนจ้งใกัยายถืพระกาลืมภาวนาเสริมันเส่อมจากภรวนาละครคันคมาเสรม ขนโมเสียมจากพ่อวานาเขาเรียกว่าบมเสียมสิยูบานกสร้างยูปากร็ตามสยูไซก็ตามขันเท่าโเสียมจากพ่วนาก็เรียกว่าบมเสียมเขาหักพ่วานาอยู่เขาหักพระพุทธพระธรรมประสงฆ์อยู่เขาถอนศรัทธาจากเถื่อก็เรียกว่าเขาบเสีอมเขายังหืนสอยู่วมืันเขายังเข้าหลวพระพุทธศาสนายึดตามได้ก็เรียกว่าเขาบมเ например, um. สีอมขันเทาขึ้นงอนเง้ยค่อนแค้นในพระพุทธศาสนาเรียกว่าเขาเสื่อม ผลลิ้งได้แก้วได้มาแล้วไ่จ้จับเห็ดจับทำสูขส่ข้าวซุปขสารเม็ดเดียวก็บะไรว่ า, าแล้วก็คุยเขี่ยไปในแปลงอื่นๆนิทานเรื่องไข่แก้กพลอยไข่กแก้ตัวหนึ่งขณะที่คุยค้ยเขี่ยวอาหารไปพบพลอยเม็ดหนึ่งงามดีมีค่ามากจึงพูดเปรยเปๆขึ้นว่าถ้าเจ้าของของเจ้ามาพบเจ้าเข้าเช่นนี้เขาคงเก็บเจ้าไปฝังแนกไวในหัวเวนตามเดิมนี่เจ้าไม่มีประโยชน์อะไรกับเรา สู้แต่เข้าสุขเข้าสารเม็ดเดียวก็ไม่ได้ว่าแล้วก็คุย